คือแล้วแต่ว่าแต่ละคังเนี่ยจะคิดได้ในเรื่องของรายละเอียด น, นะคะ่ะเป้าหมายก็คื อ, อต้องการลดล้ำพิเลในตัวคือตัวพิเลตามโลกหลองลมซึ่งก็ที่ทำมาในในหกวันนี้ก็ได้ผลนะคะเพราะว่า บางวันก็จะเห็นแห่งคว่ามคุณนวัวในใจของตัวเองก็มีพระช า, ขาเข้ามาแต่ว่าก็รู้รู้แล้วก็ไปเกิดไม่นานไม่นานในพระชาใ น, น, น, น, นสิการว่าแต่สิ่นี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไปไปฆ่าไม่ได้เราไปรังชาไม่ได้ขเขาจะเกิดถึงเข้าเองแต่ว่าเราเรา้องรู้พระชา้ี่ก็ เหตุความกโทรศัพท์ของตัวเองเออใครปฏิบัติแบบว่าอะไรก็เกิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดาใครปฏิบัติแนวนี้บ้าง <S <S อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดได้ไหมปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมอาอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเราบังคับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อยอมไหม <c oughs> อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเช่นโทสะจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดปาณาติบาตจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดเวลาคิดจะฆ่าสัตว์เกิดก็ปล่อยมันเกิดคิดจะลักทรัพย์เกิดก็ปล่อยมันเกิดคิดจะประพฤติผิดในกรรมเกิดก็ปล่อยมันเกิดคิดจะพูดเท็จเกิดก็ปล่อยมันเกิดคิดจะพูดคําหยาบเกิดก็ปล่อยให้เกิดคิดจะเพ้อเจ้อก็ปล่อยให้เกิด คิดจะสอเสียดก็ปล่อยให้เกิดคิดจะโลภ ก, ก็ปล่อยให้เกิดคิดจะโกรธก็ปล่อยให้เกิดคิดจะมัวมาลุ่มหลงก็ปล่อยให้เกิดได้ไหมได้ไม่ได้ไปจะไหมก็ปล่อยใันไหมไปนั่งดูเฉยอันนี้ถือว่าเป็นการปล่อยวางหรือยังเขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกเฉยมือเฉยมือโลภะจะเกิดเราห้ามได้ไหม ได้ไม่ได้ถ้าเรารู้ว่านะที่จริงเนี่ยโลภะมีลักษณะเจตุกาของโลภะไห ม, มโลภะมีลักษณะหน้าตาของโลภะเขามีหน้าตาของเขาไหมมีโลภะเกิดขึ้นเขาทำกิจอย่างไรมีไม่มีอาการปรากฏของโลภะเกิดขึ้นชัดไหมอะไรเป็นเหตุกายของโลภะ ไอ้นี้สํา okay, ค ouais pues, ัญตรงนี้นั้นต้องจริงๆต้องมีรายละเอียดรู้นะรายละเอียดถ้าไม่มีรายละเอียดก็ถอนรากของโลภะยากนะอมีเวลาเหลือชั่วโมงกว่านิดหน่อยนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสัมภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยด้วยความเคารพเพื่อเพื่อขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งมั่นนะตั้งใจในการที่จะเดินเข้าหาสารณาคม อัธยาศัยที่ตั้งมั่นก็ขอให้เป็นปัจจัยในการเกื่อหนุนกระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในสารณคมอย่างชัดเจนและสามารถที่จะเข้าถึงสารณะได้อย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเองเถิดตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทาง ผู้ดำเนินตามทางหมายความว่าดำเนินตามไตสรสารนคมนี้ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่จะพ้นจากเครื่องพันานาการของมารได้พราะพระเจ้าตรัสอีกว่าอัคคทีปาพิขเววิหรตะอัตตะรนาอนัญญสารนาธรรมทีปาธรรมสารนาอนัญญสารนาบอกว่าพิษุูต์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเธอทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งธรรมะในที่นั้นคือพุท ธ, ธรัตนธรรมรัตนและสังค ร, รัตนที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่า มนุษย์เป็นอันมากนับถือสาระกันเกลื่อนกล่นเต็มไปหมดบางคนก็เอาป่าไม้บ้างภูเขาบ้างรุขเจดีบ้างบางคนก็ไปเอาก้อนอิดบ้างก้อนดินบ้างมาแขวนคอเนาะก็คิดว่าเนี่ยเขาได้สาระแล้วเขาได้ที่พึ่งแล้วเขาได้เครื่องคุ้มครองป้องกันแล้วบางคนก็เอาตะกุดบ้าง ใย่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> เ, เยอะหมดเลยที <Yeah. S 1> นี้เต็มไปหมดแล้วสารณะมีอะไรเต็มไปหมดพ mm hmm. ระพุทธเจ้าบอก mm hmm. นั่นใช่สารณะอันเกษมไหมนั่นใช่สารณะอันสูงสุดไหมเพราะว่าอาศัยสารณะ น, นั้นแล้วไม่สามารถจะพ้นจากวัฏฏุได้ mm hmm. ไม่สามารถจะพ้นได้นะ mm hmm. เยอะหมดเราจะเห็นสารณะของมนุษย์มีมากจริงๆนะ และหนึ่งในนั้นเราก็เคยนะบางทีไปหาผ้าพ้าก็อผูกได้ติดมือมาหน่อยก็มั่นใจว่าได้นี้แหละจะเป็นที่พึ่งให้เราพร้นจาก ภ, ภัยอันตรายได้ใช่ไหมล่ะอ้าวขามัดมามัดม า, ม า, มาแต่พระท่านก็บอกเออเอาไปเป็นที่รละลึกนะจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้พาพ้าก็บอกแบบนี้นะ แต่เราไม่รู้เลยรายละเอียดนึกยังไงก็ไม่รู้เราเนึกว่าในนั้นมันมีพลังอ่ะมีพลั ง, ลงใช่หมล่ะถามว่าถ้าเอาความเชื่อไปตั้งมันมั่นไว้ที่ก้อนหินเนี่ยถามว่ามันมีพลังที่ใจได้จริงไหมมันได้จริงนะแต่พลังอันนั้นมันดีจริงไหมไม่ดีจริงว่าก้อนหินไมไ่มีคนจริงแต่ศรัทธาเนี่ยมันดีจริง พี่เมยมีถ้ามีสถานะแล้วก็ตั้งไว้ที่ไหนดีก็ตั้งไว้ที่สถานะแต่ตั้งยากไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งคือมีการสติมีสติปัฏฐานเนี่ยเป็นที่พึ่งถามว่าถ้าเจริญสติมีสติในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนั้นเริ่มได้ที่พึ่งหรือยังได้แล้วนะต้องเป็นสติจริงๆนะธรรมชาติของสติคือ สติต้องระลึกมั่นไหมระลึกอย่างไรอย่างไรจรึงจะเรียกว่าสติหลายคนพูดถึงเรื่องสติเนี่ยแล้วอยากเห็นหน้าตาของสติเป็นยังไงคําว่าระลึกมั่นเนี่ยสติต้องระลึกมั่นคงไหมมั่นคงหรือไม่มั่นคงถ้าเลื่อนลอยนี่เป็นสติไหมสติเนี่ยเป็นสติกับจิตนี่คนละอย่างนะอย่าไปคิดว่าจิตคิดเมื่อไรต้องมีสติ เมื่อนึกถึงอะไรได้เป็นสติไม่ใช่เพราะาลักษณะของสตินั้นจะต้องมีความมั่นคงละลึกได้อย่างมั่นคงถามว่ามั่นคงขนาดไหนสามารถกําหนดได้จะระลึกได้นานขนาดไหนก็ได้ทีนี้เวลาระลึกถึงคุณของพระพระุทธ เ, เจ้าเนี่ยลักษณะของก็คือว่าให้มีความระลึกมั่น ดุดดุดแผ่นหินที่จมไม่ลอยเหมือนลูกน้ำเตา้าเคลูกน้ำเต้าลอยตามน้ำาพอตุ้มลงน้ำก็ลอยไปพีป่ยอมคนเดนเก่าท่านอาจารย์ยมเป็นนั่ง ท, ที่ท่าน้ำเออเป็นไงยมพอเป็นนั่งนะพอน้ำไหลเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยหัวใจเขาแบใจของฉันเนี่ย ก็หล่นตุ้มลงไปในน้ำแล้วก็ลอยอันนี้เป็นไงอันนี้ใช่สติไหมเลื่อนลอยเลื่อนลอยระลึกไม่ได้ถามบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของสติจะต้องไประลึกมั่นในคุณของพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าปากท่องแต่ใจมันไปอีกเรื่องอันนี้ไม่ใช่ระลึกมั่น ถ้าลึกมั่นเนี่ยจะรักษาจิตให้ตั้งมั่นไว้คุณของพระเจ้าแล้วก็รักษาอารมณ์คือคุณของพระเจ้าให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตพยัยชนะลักษณะสติจะต้องมีการระลึกมั่นคงรักษาจิตไหมให้ตั้งมั่นในอารมณ์แล้วก็รักษาอารมณ์ให้ตั้งมั่นในจิตมันเป็นลักษณะเนี้ทำที่มั่นคงต่ออารมณ์ เป็นธรรมะที่มั่นคงต่อสิ่งที่ตนเองระลึกอยู่และในขณะที่ระลึกอยู่นั้นดูสภาพใจนะว่าคนโกรธก็ระลึกมั่นนะเช่นเราโกรธใครสักคนระลึมไม่ได้เลยห็นหน้าอยู่นั่นแหละอันนั้นก็เรียกว่าระลึกมั่นถามว่าอย่างนั้นเรียกว่าสติไหมเรียกไม่เรียกไม่เรียกเพราะสติจะต้องนอกจากระลึกมั่นแล้วยังต้องรักษาความดีรักษาจิตด้วยเข้าไหมล่ะ ถ้าไม่รักษาจิตไม่รักษาความดีไว้อันนี้ไม่เรียกว่าสติใช่ไหมใช่ไม่ใช่ได้ยังไงนี่คือคำสอนอามาไม่พูดบาลีแั้วนเองเดี๋ยวพูดภาษาไทยไม่พูดพุทธพจน์ถ้าเรามองอย่างนี้ทำที่ระลึกมั่นถึงกุศลความดีนะกุศลความดีทั้งหลายและในขณะเดียวกันถามว่า ในขณะที่สติเกิดขึ้นเนี่ยจะกาจัดความประมาทความประมาทคือการขาดสตินะหายไปก็คือการรักษารักษาจิตได้ไหมรักษาสิ่งที่ตนเองละเลึกอยู่ได้ไหมให้มีความมั่นคงยาวนานไหม ย, ยาวนานถ้าไม่ยาวนานใช่สติไหมไม่สตินี่สามารถละลึกได้ทีนี้สภาพเราจะได้รู้จักตนเองว่า เราโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เลื่อนลอยจริงไหมจิงเลื่อนลอยถามว่าถ้าคนสามารถควบคุมเท้าของตนเองได้เขาก็จะประสบความสําเร็จในกิจที่เนื่องโดยเท้าแต่ถ้าควบคุมเท้าไม่ได้เขาจะสําเร็จกิจการงานที่เนื่องโดยเท้าได้ไหมเขาจะใช้เท้าเดินได้ไหมถ้าเขาควบคุมเท้าไม่ได้ ถ้าเาขาควบคุมมือไม่ได้เขาจะสําเร็จกิจการงานที่เนื่องโดมือได้ไหมถ้าเขาควบคุมปากและลิ้นไม่ได้เขาจะสําเร็จการงานที่การใช้ปากใช้ลิ้นได้ไหมคนควบคุมจิตไม่ได้แปลว่าไม่มีสติเขาจะสําเร็จกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติปัฏฐานได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นะสติจึงเป็นธรรมชาติที่รักษาจิตและรักษาอารมณ์ สัมปชัญญะเป็นชี่อของปัญญาแค่สติอย่างเดียวก็ฮืดขึ้นคอแล้ว <c oughs> จะไม่รลแค่สติอย่างเดียวอะ่ะแค่ลักษณะจะให้สติเกิดอย่างเดียวก่อนถ้าสติไม่เกิดเนี่ยปัญญาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่เขาว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คู่กันสําหรับใช้ในการเจริญสติประฐานมีการเจริญพุทธคุณเป็นต้นอา้าวตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงว่า ลักษณะของสติเนี่ยนะว่าสภาพที่รักษาจิตและรักษาลมก็เป็นเหตุมุ่งหน้าตรงต่อลมเนี่ยนะก็คือว่าเห็นสังเกตชัดคนที่มีสติได้มั่นคงเห็นชัดนะหนึ่งมีสัญญาที่มั่นคงด้วยความจําที่มั่นคงด้วยนะเดี๋ยวยกพสูตรสูตรหนึ่งที่เราจะได้รู้ว่าเหตุผลที่ยกสติตรงนี้มากล่าวเพื่อต้องการให้เราได้รู้และจะยกพสูตรสูตรหนึ่งมากล่าวนะเราให้สังเกตว่าเวลาเราจะเดินทางกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ย เราอยู่ในข้อไหนเวลาในพระสูตรเนี่ยให้สังเกตตัวนะครับในชื่อสูตรที่เรียกทานาสูตรผลผลของทานกุศลที่ต่างกันแต่ในสูตรกล่าวเรื่องทานจริงแต่ในนั้นน่ะเรียบร้อยเป็เสร็จหมดแล้วทั้งสารณาคมทั้งทานทั้งศีลและภาวนารวมอยู่ในที่เดียวกันพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่สระบครณีชื่อว่าคัคคาใกล้เมืองจำปา ครั้งนั้นอุบาสกชาวเมืองจำปาด้วยกันนะมากด้วยกันเลยเข้าไปเข้าไปหาใครเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรจำเรู้มย่อภาษารีบุตรไยมภาษารีบุตรเป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าเป็นอัครส า, าวกเชื่อมไหมภาษารีบุตรเนี่ยโดยมากเป็นระดับอัครส า, าวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ชาวพูดไม่ค่อยกล่าวถึงหรอกเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะกล่าวถึงโดยมากเขาก็จะกล่าวถึงอาจารย์อเกจิอาจารย์ของตเองนเองกันนะ เขาไม่เคยพูดถึงภาษาริบุตรเลยทั้งๆ ท, ที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาตั้งหนึ่งอสองไข่นี่ใช่ไหมล่ะเวลาเราจะกล่าวนี่แม่นาจริงๆนะแทนที่เราจะนึกถึงภาษาริบุตรบางไม่ค่อยนึกแล้วไปนึกถึงไทยก็ไม่รู้ถ้าจะนึกลดลงมาจากพระเจ้าหน่อยน่าจะนึกถึงภาษาลิบุตรสมัยก่อนเวลาเขาอุาบาสกบาสิกาเนี่ยถ้าทราบภาษาริบุตรอยู่ที่ไหนก็เลยไปฟังทำกัน นี่ก็เหมือนกันก็รีบไปหาภาษาริบุตรถวายอภิวาทท่านภาษาริบุตรแล้วก็นั่งนัดที่ควรส่วนข้างหนึ่งแคนแล้วก็ได้กล่าวกับท่านภาษาริบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำมีคาถาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากับผมได้ฟังมานานแล้วหนอขอได้โปรดเถิดพวกกระผมพึงได้ฟังทำมีกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านภาษาลิบุตรกล่าวว่าดูกนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายพึงมาในวันอุโบสถ ท่านทั้งหลายเพิ่งได้ฟังธรรมีคาถานในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนมาถามภาษาริบุตรพว่าจะฟังธรรมคุณได้เจ้าทีนี้ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพวกกระผมเนี่ยบอกว่าเออุอบาสกชาวเมืองจำปารับคำของท่านภาษาริบุตรแล้วก็ลุกจากที่นั่งอาถิวาถวายวิวาทแล้วก็หลีไปต่อมาพอถือว่าถึงวันอุโบสถเหมือนวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะวันอุโบสถไหม อยู่รักษาศีลกันอีกวันดีไหมเนี่ยบอกตังบอกบอกทั้งบ้านไว้แล้วยังไงอพอถึงวันอุโบสถเนี่ยนะก็อุบาสกก็บอกว่าเข้าไปหาภาษาริบุตรถึงที่อยู่แล้วก็ลำดับนั้นท่านภาษาริบุตรพร้อมด้วยบาสกชาวเมืองจำปา เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายพิวาตแล้วนั่งนันที่ควรส่วนกลางหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานเช่นนั้นนั่นแหละที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วศีลที่บุคคลในโลกนี้รักษาแล้วที่จริงต้องพูดว่าทานสระคมศีลแล้วก็ภาวนาทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละ ที่บุคคลในโลกนี้เนี่ยนะได้กระทําไปแล้วเนี่ยบอกว่าอย่างไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากพึงมีหรือหนอใช่ไหมมีหรือไม่มีบอกว่าทานศีลภาวนาทั้งหลายที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากมีไหมแล้วก็ทานศีลภาวนาที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากมีหรือไม่มี เขาจะได้รู้ว่าของเราอยู่จุดไหนดีไม่ดีที่จริงเอามาสรุปพระพุทก็ได้นะแต่อยากให้เรารู้ได้ได้ฟังพุทธพนจน์ฟังแล้วน่าชื่นใจไหมฟังแล้วน่าชื่นใจปกติเราอ่านเองไม่เข้าใจใช่ไหมถ้ามาอ่านแล้วขยายให้ฟังดีไมดด่ดีเสียดายนายจะนั่งอยู่อยู่นสักพันสากคันหนึ่งโอ้โหยฟังใช่ไหมล่ะ ฟังทุกวันทุกวันปฏิบัติทุกวันทุกวันเนะี่ยคิดดูอะกิเลสยอมไหมแบบเนี้ยกิเลสยอมใช่ฟังแล้วเขาไปขัดเกลาร์ไข้ควรฟังแล้วไปขัดเกลาไข้ควรเรียบร้อยกิเลสบอกโบกมือลาไม่อยากอยู่แล้วโอ้โหมันเอาจริงขนาดนี้ไม่ไหววะเนี่ยนะอยู่อาศัยไม่ได้แล้วเล่นถอนทุกมุมเลยใช่ไหมลูกถอนทุกมุมจะมามุมไหนรู้อีกจะมามุมไหนรู้อีกเอ้าถ้าประตูบ้านนี่โยมมันมีหลายร้อยประตูเลยใช่ไหม แล้วมันรู้หมดนะ่ะให้โจรมันขึ้นอยประตูไหนก็จัดการแก้ไขแก้ไขแก้ไขมันจะเข้ามาได้ไหมนะเข้านะเข้าเมื่อโจรไม่ได้เข้ามาโจรมันก็ไม่ได้กินอาหารเมื่อโจรไม่ได้กินอาหารโจรจะหมดแรงตายไหมหมดแรงตายแต่ตอนนี้เราไปปล่อยมันเข้ามามันมากินอาหารเพลินเดี๋ยวนี้มันมาอ้วนไหนไหนมันอ้วนในใจของโยมนี่แหละพอมาอ้วนอยูในใจของยอมยมกลายเป็นบัณฑิตหรือคนบาลเป็นคนบัณฑิตหรือคนบาลให้ยอม ถ้าเป็นคนพาณิชย์ไหมเป็นคนพาณเป็นบุคคลที่ควรคบหรือไม่ควรคบควรอยู่ใกล้หรือไม่ควรอยู่ใกล้ควรเสพคุนหรือไม่ควรเสพคุนควรยินดีในพฤติกรรมหรือไม่ควรยินดีในพฤติกรรมควรดูหรือไม่ควรดูโอ้ไม่มีดีเลยคนพาณเนี่ยเจอแล้วเป็นอย่างนี้นะคนพาณเป็นคนพาณไม่ดีอย่างนี้แหละแท้ที่จริงพริเจ้าถึงสอนเรื่องความฉลาดไง เพราะความฉลาดมันจะปิดบาปได้แล้วมันจะถอนรากถอนคนกิเลสได้นะวิธีต่อรากถอนโคนกิเลสคีออย่างเดียวอย่าให้กิเลสเกิดอย่าให้มันเกิดก็เรารู้เหตุจะให้รู้เหตุเกิดเแล้วเนี่ยแล้วแก้ไขที่ตัวเหตุเส็จเสร็จมันก็ไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็ไม่ได้อาหารมันไม่ได้เข้ามาในบ้านนี้เพราะมันมากินอาหารในบ้านนี้ตลอดไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันก็อ้วนพีเลยให้ปัญญาผอมสติผอม วิทยาผอมศรัทธาก็ผอมน่าสงสารไหมศรัทธาวิทยาสติสมาธิผอมกระรองกองไอตัวเราเรพาโทสศัพท์โมหะมานะที่ถี่อ้วนนะอ้วนเนหะัวโตเลยมนุษย์ก็ไม่รู้ด้วยนะว่ากิเลสมันเข้ามายังไงโอตรงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าบอกว่าทานเนี่ยนะ ถ้าผู้มีพาะจะตรัสว่าดูก่อมสารีบุททานเช่นนั้นนั่นและที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสง์มากก็พึ่งมีและทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลในโลกนี้ให้แล้วเนี่ยมีผลมากมีอนิสง์มากก็มีสรุปก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยมีผลมากไม่มีอนิสง์มากก็มีทานศีลภาวนาของคนที่ทำในโลกใบนี้มีผลมากมีอนิสง์มากก็มี ฉะนั้นเราจะอยู่กลุ่มไหนว่าที่เราเดินทานศีลภาวนากันเนี่ยอยู่ในกลุ่มมีผลมากมีอานิสงส์มากหรือไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากโยมลองเดาไก่อนที่ว่าอย่างเราเราเนี่ยจะมีผลมากมีอานิสงส์มากไหมอันนี้เป็นคําตอบเลยทีนี้กลับไปเราจะได้ร้องว่าเออรู้สักทีว่าเราคิดในทานกุศลศีลกุศลแล้ภาวนากุศลอย่างนี้นี่แหละมันจังมีผลมากยังมีอานิสงส์มากจึงไม่มีผลมากจึงไม่มีอานิสงส์มากผลกับอานิสงส์เหมือนกันไหมเนี่ย พระพุทธเจ้าหานพูดกับภาษารีบุตรแต่ผู้ฟังคืออุบาสกชาวเมืองจำปาคําคว่าอุบาสกเขาแปลว่าอะไรนะผู้เขาเป็นนั่งใกล้พระรัตนตรัยอุบาสกในสมัยครั้งพุทธกาลนี่จะต้องฟังธรรมทุกวันไหมทุกวันหรือไม่ทุกวันและอุบาสกอุบาสิกาในปัจจุบันนี้ฟังธรรมทุกวันไหมนี่ขาดหรืยอยังแล้วก็ฟังธรรมเลยมากอุบาสกบาศิกาเนี่ย จัดควังทำของพระพุทธเจ้าหรือฟางรำมากของบุคคลอื่นเป็นสาวกาวลกล่าวอลไรก็กล่าวคือสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะโยมนะถ้าในสมัยก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้จําคําสอนได้หมดทุกอัตถุกปยนชนะเลยแล้วก็ฉลาดในคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้พุท ธ, ธาธิบายรู้รู้พุทธประสงค์พระพุทธเจ้าด้วยแต่ลองยอมลองคิดดูนะลองลากยาวมาสองพันกว่าปีเนี่ยเดีย๋ยวเนี้ย ถ้าเราเริ่มเละเอะ เ, เลือนในคําสอนพอเลอะเลือนในคําสอนพอพูดธรรมะพูดไปพูดมาเอ๊ะนึกคําสอนไม่ออกก็เลยนึกคำตัวเองเข้าใจยังก็เลยนึกถึงคําตัวเองแต่นี้มันก็เลยเป็นระบบเปลือนผลไม่ผลแต่นี้ผลเลยทีเราก็ไม่รู้สิแตเนี้ยโทษของอะไรเนี่ยเอ้าโทษของอะไรเราถึงเสพคําสอนที่ทั้งๆถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยอาโทษของอะไรใครตอบได้ไหม โทษของอะไรโทษของอะไรเนะ้อเราจึงเสพคนถูกบ้างเสพคนผิดแม้เสพคนถูกคนผิดเราก็ยังแยกไม่ออกเนี่ยโทษของอะไรเดียวโทษของอะไรนะโทษขงสังสารวาัฏทำไมมันเป็นตัวยังไงนะสังสารวาัฏนี่นี่ทษการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่แหละเขาหลุดพ้นก็ไม่ยอมหลุดพ้นกับเขานี่แหละใช่ไหมถ้าหลุดพ้นไปแล้วเราจะต้องมาหน้าปวดหลังฟังธรรมทำ ไ, ไม ไม่ต้องลอ้อเราจะต้องมานั่งเอาไหม ป, ปัญญาได้ยากหรือได้ง่ายแต่ถ้าได้ไปแล้วนี่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นประโยชน์มากกิเลส จ, จะเล่นงานไม่ได้คนที่กิเลสเล่นงานได้เพราะปัญญาไม่เกิดใช่ไหมโูกปัญญาเป็นธรรมชาติที่ตัดนะเป็นทีนท่ถอนรากถอนโคลนนะปัญญาไม่เกิดเลยที่มันถอนเช่นยอมทําไมถึงรับปฏิบัติไปเนี่ยเทําไมมันติดอยู่ตรงเนี้ย ใช่ไหมนี่ปัญญาไม่เกิดนี่นนะถ้าปัญญาจริงๆอ่ะมันเหมือนว่ายโยมทำไมไม่รู้เนี่ยที่มันนั่งกันหน้าสลอนในบ้านของโยมเนี่ยว่าใครมันเป็นโจรใครมันเป็นบัณฑิตเนี่ย น, นี้แปลว่าแยกแยะความต่างระหว่างบัณฑิตกับคนพานไม่ดใช่ไหม เหมือนกันสภาพจิตใจว่าเอ๊ะเราจะคัดจิตประเภทไหนจะคัดความความในสภาพจิตประเภทไหนออกจิตประเภทไหนที่จะสควรดูแลเนี่ยท่นคัดไม่ออกดูก่อนสาลีบุตรนะคนบางคนในโลกนี้ให้ทานยังมีความหวังในการให้ทานยังมีความหวังในการรักษาศีลและเจริญภาวนามีจิตผูกพันด้วยตัณหาจะเป็นไหมล่ะ เออโดยตัณหาด้วยความยินดีในทานศีลภาวนาและก็ยินดีในผลของทานศีลภาวนาเคยเป็นไม่เป็นยินดียินดีเป็นอะไรเพลิดเพลินเป็นอะไรโลภะเป็นธรรมะที่ควรเจริญหรือควรละเอา้าใครเคยให้ทานรักษาศีลเจริญมาภาวนา ก็มีความยินดีมีความเพิดเพลินมีการยึดติดมุ่งการสั่งสมให้ทานมุ่งการสั่งสมรักษาศีลมุ่งการสั่งสมเจริญภาวนาชอบยึดติดยินดีเพลิดเพลิน